คำสอนสมเด็จพระสังฆราชว่าด้วยเรื่องของชีวิตคำสอนที่หนึ่งมนุษย์ที่แปลอย่างหนึ่งว่าผู้มีจิตใจสูงคือมีความรู้สูงดังจะเห็นได้ว่าคนเรามีพื้นปัญญาสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานมากมายสามารถรู้จักเปรียบเทียบในความดีความชั่ว ความควรทำไม่ควรทำรู้จักละอายรู้จักเกรงรู้จักปรับปรุงสร้างสรรค์ที่เรียกว่าวัฒนธรรมอารยธรรมศา ส, สนาเป็นต้นแสดงว่ามีความดีที่ได้สั่งสมมาโดยเฉพาะปัญญาเป็นรัตนะส่องสว่างนำทางแห่งชีวิตถึงดังนั้นก็ยังมีความมืดที่มากำบังจิตใจให้เห็นผิดเป็นชอบความมืดที่สำคัญนั่น ก็คือกิเลสในจิตใจและกรรมเก่าทั้งหลายคำสอนที่2คํคำว่าชีวิตไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ความเป็นอยู่แห่งร่างกาย แต่หมายถึงความสุขความทุกข์ความเจริญความเสื่อมของบุคคลในทางต่างๆด้วยบางคนมีปัญหาว่าจะวาดภาพชีวิตของตนอย่างไรในอนาคตหรืออะไรควรจะเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตและจะไปถึงจุดหมายนั้นหรือที่นึกที่วาดภาพไว้นั้นด้วยอะไรปัญหาที่ถามคลุมไปดังนี้น่าจะตอบให้ตรงจุดเฉพาะบุคคลได้ยาก เพราะไม่รู้ว่าทางแห่งชีวิตของแต่ละบุคคลตามที่กรรมกำหนดไว้เป็นอย่างไรและเทาวาดภาพของชีวิตอนาคตไว้เกินวิสัยของตนที่จะพึงถึงแบบที่เรียกว่าสร้างวิมานบนอากาศ <c oughs> ก็จะเกิดความสำเร็จขึ้นมาไม่ได้แน่หรือแม้วาดภาพชีวิตไว้ในวิสัยที่พึงได้พึงถึงแต่ขาดเหตุที่จะอุปการะให้ไปถึงจุดหมายนั้น ก็ยากอีกเหมือนกันที่จะเกิดเป็นความจริงขึ้นมาคำสอนที่3เราเกิดมาด้วยตัณหาความอยากและกรรมเพื่อสนองตัณหา และกรรมของตนเองตัณหาและกรรมจึงเป็นตัวอํานาจหรือผู้สร้างให้เราเกิดมาใครเล่าเป็นผู้สร้างอํานาจนี้ตอบได้ว่าคือตัวเองเพราะตนเองเป็นผู้อยากเองและเป็นผู้ทํากรรมฉะนั้นตนนี้เองแหละเป็นผู้สร้างให้ตนเองเกิดมาอนุมานดูตามคําของผู้ตรัสรู้นี้ในกระแสปัจจุบัน สมมติว่าอยากเป็นผู้แทนราษฎรก็สมัครรับเลือกตั้งและหาเสียงเมื่อชนะคะแนนก็เป็นผู้แทนราษฎรนี่คือความอยากเป็นเหตุให้ทำกรรมคือทำการต่างๆ ต, ตั้งแต่การสมัครการหาเสียงเป็นต้นซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับผลคือได้เป็นผู้แทน คำสอนที่สความเปลี่ยนแปลงของชีวิตหรือของโลกเป็นทุกประจําชีวิตหรือประจําโลกไม่เป็นเรื่องแปลกประหลาดอันใดเมื่อจะสรุปกล่าวให้สั้นความเกิดแก่เจ็บตายทั้งสนี้ย่อลงเป็นสองคือความเกิดและความดับซึ่งเป็นสิ่งที่สกัดหน้าสกัดหลังของโลกของชีวิตทุกชีวิตที่เรียกคติธรรมดา แปล ว, ว่าความเป็นไปตามธรรมดาความไม่สบายใจทุกๆุกอย่างพระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าเป็นทุกทุกคนคงเคยประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักปรารถนาไม่ได้สมหวังเกิดทุกโศกต่างๆนี้แหละพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นทุกโลกหรือชีวิตประกอบด้วยทุกดังกล่าวมาแล้ว ฉะนั้นทุก์จึงเป็นความจริงที่โลกหรือทุกชีวิตต้องเผชิญคำสอนที่5ชีวิตคนเราเติบโตขึ้นมาดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความเมตตากรุณาจากผู้อื่นมาตั้งแต่เบื้องต้น คือเมตตากรุณาจาก บ, บิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายถ้าไม่ได้รับความเมตตาก็อาจจะสิ้นชีวิตไปแล้วเพราะถูกทิ้งเมื่อเราเติบโตมาจากความเมตตากรุณาก็ควรมีความเมตตากรุณาต่อชีวิตอื่นต่อไปวิธีปลูกความเมตตากรุณาคือต้องตั้งใจปรารถนาให้เขาเป็นสุข ตั้งใจปรารถนาให้เขาปราศจากทุกข์โดยเริ่มจากเมตตาตัวเองก่อนเราคิดไปถึงคนใกล้ชิดคนที่เรารักจะทำให้เกิดความเมตตาได้ง่ายแล้วค่อยคิดไปให้ความเมตตาต่อคนที่ห่างออกไปโดยลำดับ คำสอนที่6ตนรักชีวิตของตนสะดุ้งกลัวความตายฉันใดสัตว์อื่นก็รักชีวิตตนและสะดุ้งกลัวความตายฉันนั้นฉะ น, นั้นจึงไม่ควรฆ่าเองไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอนหนึ่งตนรักสุขเกลียดทุกข์ชั้นใดสัตว์อื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ชันนั้นจึงไม่ควรสร้างความสุขให้ตนเอง ด้วยการก่อความทุกข์ให้แก่คนอื่นคำสอนที่7คติธรรมดาที่ไม่มีใครเกิดมาในโลกนี้จะหนีไปให้พ้นได้ก็คือความแก่ความตายแต่คนโดยมากพากันประมาทเหมือนอย่างว่าไม่แก่ไม่ตาย หน้าที่จะรีบทำความดีแต่ก็ไม่ทำกลับไปทำความชั่วก่อความเดือดร้อนให้แก่กันและกันต่างต้องเผชิญทุกเพราะกรรมที่ต่างก่อให้แก่กันอีกด้วยฉะนั้นก็น่าจะนึกถึงความแก่ความตายกันบ้างเพื่อจะได้ลดความมัวเมาและทำความดี คำสอนที่8การฆ่าตัวตายเป็นการแสดงความอับจนพ่ายแพ้หมดผลทางแก้ไขหมดทางออกอย่างอื่นสิ้นหนทางแล้วเมื่อฆ่าตัวก็เป็นการทำลายตัวเมื่อทำลายตัวก็เป็นการทำลายประโยชน์ทุกอย่างที่พึงได้ในชีวิตในบางกลุ่มบางหมู่เห็นว่าการฆ่าตัวตายในบางการณีเป็นเกียรติสูง แต่ทางพระพุทธศาสนาแสดงว่าเป็นโมฆะกรรมคือกรรมที่เปล่าประโยชน์เรียกผู้ทาว่าคนเปล่าเท่ากับว่าตายเปล่าๆควรจะอยู่ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ก็หมดโอกาสคำสอนที่เก้า การแก้ปัญหาของคนเราถ้าป้องกันไว้ก่อนแก้ไม่ทันก็แก้เมื่อปัญหายังเล็กน้อยจะง่ายกว่าเหมือนอย่างดับไฟกองเล็กง่ายกว่าดับไฟกองโตถ้าเป็นผู้ที่สนใจธรรมะบ้างก็จะหาหนทางปฏิบัติได้ถูกต้องดังที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นแสดงว่าธรรมะพันเกี่ยวข้องกับตัวเราเองทุกๆคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าตั้งมั่นในการประพฤติธธ ร, รมให้พอเหมาะแก่ภาวะของตนเองก็จะทำให้พ้นจากความทุกข์ภัยพิบัติได้ถ้าไม่ปฏิบัติก็อาจจะเผลอพลั้งพลาดและถ้าไม่รู้วิธีแก้ปัญหาด้วยธรรมะก็อาจจะทำให้หลุดพ้นจากบ่วงปัญหาได้ยากฉะนั้นถ้าสนใจพระธรรมบ้างก็จะมีเครื่องป้องกันแก้ไข ให้พ้นจากความทุกข์ดังคำกล่าวที่ว่าพระธรรมคุ้มครอง